ประวันคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่16ปัญญาอบรมสมาธิหลวงปู่มั่นแจ้จิตสามวาระอากาศดีนโยม80สปีจะเข้าสู่แดนนิพพาน โลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านได้ให้อวาธรรมเอาไว้ว่ า, าศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่ท่านสอนไว้รลมกลืนเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจของเรามีสันติโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเพึ่งตนได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรม จนกระทั่งถึงลิมุติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าดวงใจที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกกนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี่เลยในสามแดนโลกธาตุมีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้มันเจ๋งไหมอุบายของกิเลสมันเหยียบย่ำอยู่บนหัวใจแล้วก็ฉุดลากหัวใจหรือเหยียบย่าหัวใจนั้นแลให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่ผักใส หัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆลุ่มๆ ด, ดอนๆหรือสูงๆต่ำๆแต่แล้วมันก็บอกว่าตายแล้วศูนย์นะการที่เกิดในที่สูงๆต่ำๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งบาปแห่งบุญมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นทั้งๆที่เกิดไม่หยุดไม่ถอยมันก็บอกว่าตายแล้วศูนย์เห็นไหมฟังสิ อุบายของกิเลสแหลมคมขนาดไหนในชีวิตนี้งานทางโลกนี้ไม่มีงานไหนที่จะหนักแน่นยิ่งกว่างานชำระกิเลนนะหรือไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัตลิล้มลุกคลุกคลานเหมือนกับว่านั่งเฝ้าน้ำตาเอากิสงบไม่ได้จิตมันคึกมันขนอน อ, อกหน้าออกตาเหยียบหน้าผากเราอยู่ตลอดเวลาจะไม่เครียดไม่โกรธไม่แค้นยังไงมนุษย์เรา เพราะเอามันไม่ได้ขนาดนั้นก็เป็นทั้งๆ ท, ที่เราเออกปฏิบัติหนี้เวลากำลังของเราไม่เพียงพอมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่นี่และก็เห็นมาแล้วนีอยังไม่ลืมนะเพราะนี้เป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงแต่สําคัญที่จิต ด, ดวงนี้สู้ไม่ถอยจะขนาดไหนก็ไม่มีคำว่าถอยมีแต่จะเอาให้อยู่ตายก็ตายเพียงเท่านั้น หลวงตามมหาบุญญาสัมปันโนหรือเล่าถึงการปฏิบัติภาวนาของท่านและบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของท่านเอาไว้ว่าในการปฏิบัติธรรมมากของเราเราเดินจงกรมตั้งแต่ฉันจังหวัดเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงบ่ายถึงเวลาปัดกว่าไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยอะไรเดินไปบางทีก็เดินจงกรมนี้โน่นเสียซักเข้าไปในป่าโน่นโครมครามในป่าโน่นเพราะจิตมันไม่ออก ตาก็มืดมัวไปหมดนี่แต่ขาก้าวไปก้าวไปก็เข้าไปโน่นแล้วก็ออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นคำว่าน้ำท่าอะไรอะไรไม่เคยสนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันตลุมบอลกันนี่ละปัญญาเป็นอย่างนั้นตกตอนกลางคืนก็เช่นเดียวกันเราจะเดินจมกลมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้โน่นต้องเวลาดึกสงัดสี่ทุ่มห้าทุ่มล่วงไปแล้วหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วจึงจะลงเดินจงกลม ทางจงกรมจนเป็นหลุมเป็นเหวใครจะไม่รู้เดินจงกรมจี่ชั่วโมงมันถึงจะเป็นขนาดนั้นอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในวัดก็ดีมองดูก็รู้แต่หากนิสัยเป็นอย่างนั้นทางภาษาอีสานเขาเรียกว่าคนนิสัยหลักความก็คือหลักหลักรอบลอบ้อทสมาธิภาวนาอยู่คนเดียวเท่านั้นเราไม่สนิทใจที่จะทําความภาดความเพี้ยนให้ใครต่อใครเห็นอย่างโล่งแจ้ง การนั่งสมาธิตลอดรุง่งมันของเล่นเมื่อไรใครเก่งก็ลองดูสิจะได้รู้ว่านั่งตั้งแต่หัวค่ําจนกระทั่งตลอดรุง่งเป็นเวลา 13-14 ชั่วโมงมันเป็นอย่างไรบ้างบางวันนั่งจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตเพราะอยู่กับหมู่กับเพื่อนถ้าอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกนะจะจี๊ชั่วโมงไม่รู้นะแต่นี่เกี่ยวกับครูเกี่ยวกับอาจารย์ พ่ะแม่ครูบาจารย์หลวงตามหาบุญยนัสสำปนโนได้เล่าถึงวิธีปฏิบัติธรรมของท่านอันเป็นอุบายธรรมเรื่องปัญญาอบรมสมาธิเอาไว้อีกว่าตอนที่เราออกปฏิบัติทุกขเวทนาหนักหนักแสนสาหัสค้นไปค้นมาเทียบเคียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังรอบพอรอบด้านแล้วมันก็หลงที่จิตนั่นแหละมันเห็นประจักษ์เวลาจิตพิจารณาทุกขเวทนากายก็พิจารณาเห็นอย่างชัดเจน เนื้อหนังมังสังเป็นต้นเวทนาเ็าเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีรูปรษณะอย่างไรจิตเป็นยังไงสามอย่างนี้ชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวสงบปล่อยไปเลยได้ความอัศจรรย์แล้วปัญญาอบรมสมาธิคือปัญญาตีตะล่อมเข้ามาทุกขเวทนากล้ากล้าจิตใจก็ฝูงซ่านบังคับค้นด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งกิาทางออกไปไม่ได้ก็เกิดความสงบขึ้นมา ความสงบของจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี้อาจห า, ช, าชันชัยมากเลยทีเดียวบางทีจิตมันฟุ้งซ่านก็เอากันตรงนั้นขณะนั้นทั้งๆ ท, ที่ทุกขเวทนาไม่มีเอาจนจิตนี้หมอบนี้ก็อาจหาความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรนี่ไม่เหมือนความทุกข์ในวัดตะที่หมุนเกิดหมุนตายหมุนไปเวียนมาเกรดพบไหนชาติใดก็ต้องหาแต่กองทุกข์ไปตามขั้นตามภูมิกาเนิด แห่งภพชาตินั้นๆเหมือนกันเพราะเป็นวัฏฏะวัฏฏะตัวนี้ไม่ทุกได้หรือนอกจากอริยสัจเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่ได้เลยนี่เราพบใดชาติใดก็ตามต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นๆแม้จะไม่มีมากก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นก็เหมือนกินข้าวผสมกับแกลบกับรำนั่นเองจะไปเอาอริยอร่อยที่ไหนก็มีแต่ข้าวล้วนๆสิอยาให้มีแกลบมีรำอยู่ในนั้นถึงจะกินอร่อยดี พะแม่ครูจาร์หลวงตามหาบุญยานสัมปันโนท่านได้เล่าถึงหลวงปู่มั่นที่สามารถแย้จิตของท่านสามวาระเอาไว้อย่างน่าฟังมากว่าเราออกปฏิบัติภาวนาเป็นกระทั่งจิตมันแน่วแน่จริงๆทีนี้ก็ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักเพราะแม่ครูจาร์มั่นท่านเห็นว่าเราเป็นคนโลดโผนท่านจึงจะสอนธรรมดาไม่ได้สอนเพียงยับแบไม่ให้มาก เดี๋ยวจะทำให้เราคนเซื่อเนี้อ่อนแอวาระที่หนึ่งเรานั่งสมาธิตลอดรุ่มติดต่อกันหลายวันเป็นประทั่งก้นผู้พองแตกน้ำเหลืองไหลยเยิม้มท่านพระอาจารย์มัน่นท่านได้ให้อุบายเอาไว้ว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจเหมือนสารถีฝึกมา้าถ้าม้าหายพยศการฝึกหนักก็ควรลดลงท่านก็ยกเปรียบเทียบเหมือนกับมา้าม้าตัวมันคึกมันขนอง ตัวมันผาดมันโผล่โลดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักในสารถีต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินแต่สั้นดานจนกว่ามันจะอ่อนกําลังเมื่อมันอ่อนกําลังลงยอมรับการฝึกของเราเราก็ผ่อนให้มันให้กินหญ้ากินอะไรบ้างถ้ามันเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานมันให้การรักษาระมัดระวังการบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้มันฉันใด จิตของเราเวลามันกําลังทึกงขนองผาดโผนโลดเต้นก็เอามันอย่างหนักฉันนั้นเหมือนกันท่านพระจานทร์มัน่นท่านพูดกับเราเหมือนว่าให้เอาไม้ทั้งท่านโยนให้ตูมตูมไปเรื่อยเองท่านจะไม่แจกแจงอถาธิบายให้ไปใส่กบลบเหลี่ยมจิรนายกันเอาเองท่านคิดอย่างนั้นกับเราในวาระที่สองเราติดสมาธิอยู่นานถึงห้าปีจิตสงบแน่วแน่ไม่หวัน่นไหวดังภูผาหิน อยู่ที่ไหนไปที่ใดสงบสบายหมดทุกแห่งทุกคนเข้าไปกราบหาท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างท่านมหาจิตสงบดีอยู่เหรอเราก็กราบเรียนท่านว่าสงบสบายดีอยู่ขอรับท่านก็นิ่งไปสักเดียวท่านก็ถามขึ้นมาอีกว่าเป็นยังไงจิตสงบดีอยู่เหรอเราก็กราบเรียนท่านว่าสงบดีอยู่ก็คือไม่ทราบว่าท่านจะเอาแงไหนเพราถึงขั้นที่ท่านจะเด็ด ท่านจะเอาท่านก็ว่าท่านจะมานอนตายอยู่นั้นหรือสมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเฉียงมันถอดถอนกิเลสตัญหาที่ตรงไหนสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันของเรามันเป็นสุขที่ตรงไหนท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมท่านย้ำอยู่อย่างนั้นท่านซัดเข้าไปอย่างหนักไล่เราออกจากการติดสมาธิ ท้งเราก็งัดวิชาออกมาสู้กับท่านว่าทว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งและสมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนในมรรคแปสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิแบบหมูขึ้นเขียงอย่างท่านนีนาะท่านกล่าวอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดทีเดียวพอท่านสัดเอาซัดเอ า, เอ า, เอาทางเราก็หมอบลงหมอบลงยอมรับคาสอนของท่านพอลงมาจากท่านแล้วก็มาตาหนิตัวเอง เราทําไมจึงไปซัด ก, กับท่านอย่างนี้เรามาหาท่านเพื่อหวังเป็นครูเป็นอาจารย์มอบกายถวายตัวกับท่านแล้วแล้วทาไมจึงต่อสู้กับท่านแบบนี้ล่ะถ้าเราเก่งมาหาท่านทําไมถ้าไม่เก่งไปเถียงท่านทําไมเรื่องทิฏฐิมานะมันไม่มีมีแต่สอดแทกหาเหตหาผลหลังจากนั่งสมาธิภาวนามาตลอดรุ่งพอรุ่งเช้าวันหนึ่งได้โอกาสก็ขึ้นไปรกราบเรียนท่านซึ่งตามปกติมีความกลัวท่านมาก แต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบให้ท่านเห็นผลแห่งความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏผลเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาถรรพ์เลยทั้งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นพูดถึงนขังตึงตังใส่เปเรี้ยงเปเรีย้ยเวลาเราพูดกับท่านท่านก็นั่งฟังนิ่งพอเราพูดจบท่านก็พูดผาลออกมาเลยเราก็หมอบฟังท่านอบรมสั่งสอนว่ามันต้องอย่างนั้นสิ มันต้องอย่างนั้นสิเอา้าเกิดชาตนิหนึ่งมันไม่ตายถึงห้าหนนฟาดกันลงไปเลยเอา้าได้หลักใจแล้วที่นี่ได้การแล้วได้การแล้วแต่เรามันโง่เหมือนหมาตัวโง่ทั้งจะกัดจะเหา่าพอเว้นคืนหนึ่งสองคืนก็นั่งสมาธิตลอดรุ่งอีกเว้นสองสามคืนก็เอาอีกจนกระทั่งจิตเกิดความมหัศจรรย์เรื่องความตายนี้หายหมดเวลามันรู้รู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันดูความเป็นความตาย ธาตุสีดินน้ำลงไฟสลายตัวลงไปแล้วก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศธาตุตามเดิมในวาระที่สเราเพลิดเพลินในการพิพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งวันทั้งคืนจนเกินตัวไม่หลับไม่นอนไม่พักไม่ทนคิดตมนมิสมาธิว่านอนตายอยู่เฉยเฉยปัญญาต่างหากสามารถแยกจิตเรสได้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ให้อุบายเอาไว้ว่าแบบนี้สมาธิแบบนี้ภาวนาแบบนี้บ้าหลงสังขารการบ้าหลงสังขารนั้นก็คือการพิจารณาธรรมะจนเพลินเกลือนตัวไม่รู้จักประมาณสมุทัยแทรกเข้ามาในจุดนี้ให้ภักกิจเข้าสมาธิเหมือนถอดเสี้ยนน้ำออกจากหัวอกหัวใจพอะเวลามันออกทางด้านปัญญากลางคืนไม่ได้นอนบางทีสองคืนสามคืนมันก็ไม่ยอมนอน กลางวันก็ยังไม่ยอมนอนอีกคิดว่าเอา้ากูนี่จะตายแล้วนะมันยังไงนี่บทเวลาอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นเวลาออกทางด้านปัญญาก็ออกอย่างนี้ทำยังไงล่ะทีนี้แล้วก็ขึ้นไปกราบท่านอีกกราบเรียนท่านว่าที่พ่อแม่ครูจารย์สอนให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนสองสามคืนแล้วกลางวันมันก็ยังไม่ยอมนอนอีกนั่นละมันบ้าหลงสังขาร ตัวบ้านหลงสังขารท่านพระจานทร์มั่นท่านก็ว่าเอาใหญ่เลยคราวนี้เราก็มอบเลยนะหัวเห่าค่อยมอบลงแม้ระลึกถึงคําของท่านพูดมันหลงสังขารนั้นอยู่เสมอแต่อํานาจแห่งการเพลินในการพิจารณานี้มีกําลังมากกว่ามันถึงไม่ยอมพักเอาง่ายๆจิดขั้นนั้นต้องบังคับเรื่องหับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้ที่จะให้มันง่วงเหงาหาวนอนนี้ผมยังระลึกไม่ได้เลยว่า ดิง้วงวุเหงาหานอนในเวลาสติปัญญาท่านนี้ออกทํางานต้องเลยบังคับให้มันหลับมันนอนเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้านี้ออกร้อนมันเหมือนไฟเผาลนเดินอยู่อย่างนั้นทั้งวันตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดมันลืมไปหมดเวล่ำเวลาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าหมุนอยู่บนเวทีหัวใจนั่นเองคือเวทีเวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกลกายการทํางานด้วยปัญญา การคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิตควรที่จะได้พักเห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับให้บริการพุโทโธถีบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกคุ้งซ่านรำคาญไปที่ไหนที่ไหนเป็นกระทั่งถึงสุดท้ายจิตก็หลงแน่วเงียบเลยและปรากฏว่ากำลังวงชานี้โอ้โหเพิ่มขึ้นมาทีนี้พูดไม่ถูกเลยนะเมื่อใจมีกาลังในการพักสมาธิแล้ว พอถอนกิจออกมาเท่านั้นละโดดพึงใส่งานเลยทีนี้เหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพอแม่ครูจั์หลงตามหาบูยะสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพอแม่ครูจั์มั่นท่านเทศออกมาถอดออกมาจากหัวใจมันจึงไม่ลอยๆยเหมือนเราจำมานะความจาออกมามันก็ลอยลอยที่ท่านเทศสอนพระมันขบมันขัน ไอเรามันต้องกดหัวเราะไม่ได้ถึงสามวันนะไปที่ไหนไปภาวนาที่ไหนถ้าพวกญาติโยมเขามาถวายปิ่นโตเป็นพวงๆถือกันเป็นแถวมาโอ้ยโยมที่นี่อากาศดีนะปลอดโปร่งสบายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอากาศดีนะปลอดโปร่งเมื่อท่านมองเห็นปิ่นโตเป็นพวงๆโอ้ยคำพูดของท่านมันช่าง น, น่าฟังจริงๆนะท่านพูดเฉยนะ เพราะท่านพูดสอนพระนี่ไอเรามันจะตายละสิมันเฉยไม่ได้มันอยู่ภายในมันทั้งหบทั้งขันมันซึ้งถึงใจนะถ้าที่ไหนไม่มีใครถวายอาหารอาหารบกพร่องแล้วท่านก็ว่าที่นี่อากาศทึบนะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะโยมท่านพูดแล้วก็แสดงกิริยาเฉยด้วยนะมันฟังแล้วลึกนะลึกถึงใจทีเดียวอันนี้เราย่อมาพูดเฉยๆเวลาท่านพูดท่านบรรยายไปเรื่อยๆ ถ้าที่ในอากาศดีอย่างนั้นอะไรๆปลอดโปงไปหมดส่วนนอนไม่รู้จะตื่นไม่พูดนะอย่างนั้นแหละพระธรรมาฐานท่านสอนกันท่านสอนอย่างถึงใจผู้ต้องการความจริงแล้วจะไม่มีใครสนใจเลยนะเรื่องความเกรง อ, อกเกรงใจว่าอยากไปหรือดูไปอย่างนี้ผู้ต้องการความจริงแล้วท่านไม่สนใจท่านจะจ่ออยู่กับความจริงมันน่าฟังนะเวลาท่านพูดโอ้ oh, อยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ความเทศของท่านพระอาจารย์มัน่นท่านเทศออกมาบทไหนบทไหนนี้หนักหนักหนักทั้งหนักทั้งแน่นทั้งรสทั้งชาติเพราะออกมาจากความบริสุทิ์ของใจในเวลาลงอุโบสถสังฆกรรมตอนบ่ายโมงในขณะจำพรรษาอยู่กับองค์ท่านเพราะมีพระเนรเป็นจำนวนมากมาจากที่ต่างๆทงจังหันแล้วต่างองค์ต่างมาพระจานวน 50-60 รูปส่วนสามเณรที่ติดตามพระมาไม่นับ เพราะแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจว่าการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรธรรมะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควรยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่านอนใจว่าได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปใครจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรภายในจิตในใจให้มาถามมาเล่าให้ฟัง ภิกษุเท่าจะแจ้ให้เวลาภิกษุเท่าตายแล้วยากนะใครจะแจ้เรื่องจิตใจทางด้านจิตภาวนานี่ก็อีกไม่นานนะไม่เลย80สิบนะพากันนอนใจอยู่ได้เหรอเพราะแม่ครูจันมั่นท่านสามารถรู้ล่วงหน้าว้หมดแล้วท่านนับข้อมือให้ดูนี่เวลานี้อายุก็เท่านั้นแล้วและนับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุดปดิปีนี่มันไม่นานอะไรท่านพูดเปิดใจ ลูกศิษย์ลูกหาใครจะไปว่าท่านโอ้อวดพระเนนก็ไม่มีกิเลสเครื่องโอ้อวดภายในใจก็มีแต่สล ด, ดสังเวชสิ่งที่ท่านแสดงออกมาเท่านั้นว่าจะต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน